ที่ขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อได้เวลาตามกําหนดนัดหมายดอกไม้และพวงมาลัยนับร้อยถูกจัดวางบนถาดบนเตียงของหลวงตามีรูปของท่านใส่กรอบตั้งอยู่พระทั้งในวัดและพระที่มาจากวัดอื่นๆเพื่อลงแรงร่วมงานประวัติศาสตร์ต่างทยอยเข้ามาในกุฏิหลวงตารายรอบเต็มกุฏิพวกโยมนั่งบนเสือรอบกุฏิ คุณแม่จันดีก็มาร่วมด้วยนั่งเป็นส ง, งา่าอยู่ในหมู่โยมผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์อินทวายเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยได้กล่าวนำในการขอขมาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวเสียงขอขมาดังกระหึ่มรอบกุฏิเป็นความศรัทธาของทุกท่านที่ให้ความเคารพต่อองค์หลวงตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเทพเทวดาทุกชั้น ได้มาร่วมอนุโมทนาในมหาบุญมหากุศลครั้งนี้อย่างล้นหลามมีทุกขนาดทุกรัศมีจนแน่นขนาดในทุกอนุภาคของมวลอากาศบริเวณรอบกุติยากที่จะอธิบายถึงความลึกลับซับซ้อนขององค์เทพเทวดาที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ได้ในวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะที่กุติของหลวงตาระหว่างวันที่11ถึง28เมษายนพุทธศักราช2551 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งหลายผมกำลังศึกษาและรวบรวมรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังด้วยเหตุผลที่ได้กราบเรียนขออนุญาตกับหลวงตาไว้แล้วว่าคนสมัยเนี้ไม่ค่อยเชื่อว่าเทวดามีจริงคำพูดที่คนรุ่นเก่ามักใช้อยู่ บ, บ่อยๆว่าไม่อายผีสางเทวดากันบ้างเลยนี่ไม่ค่อยได้ยินใครพูดกันแล้วในยุคนี้โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นและผู้ที่ยังหลงอยู่ในวังวนของความโลภโกรธหลงตัณหาราคะ ไม่คิดว่าเทพเทวดามีอยู่รอบตัวเราหลายคนตัดสินเอาง่ายๆว่าสิ่งที่มองไม่เห็นย่อมไม่มีจริงภาพเหล่าเทวดาที่ลอยอยู่รอบกุฏิหลวงตาที่กล้องจับเอาไว้ได้ไม่ได้เกิดจากการสะท้อนของแสงและฝุ่นละอองแต่เป็นภาพที่เกิดจากศักยภาพในการสะท้อนของแสงแฟลชที่มีกําลังสูงและความละเอียดอย่างยิ่งของอุปกรณ์ทันสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนสามารถจับภาพได้อย่างละเอียดเป็นการสะท้อนแสงของถ้วยเทพเทวดาเกิดเป็นภาพที่มนุษย์หยาบอย่างเราเรายากที่จะได้เห็นกันท่านผู้รู้ห ล, หลายท่านกำลังถ่ายทอดเรื่องราวให้ความกระจ่างแก่ผมยิ่งได้รับทราบเรื่องราวของเทพเทวดาสวรรค์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรดอสุรกายและนรกภูมิแล้วผมยิงมีความรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมา ที่ไม่ได้ทำตัวให้อยู่ในความเป็นชาวพุทธที่ดีผมเห็นผู้คนใช้ชีวิตอย่างประมาทบางครั้งก็เบียดเบียนชีวิตอื่นๆโดยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแม้จะเป็นเพียงชีวิตเล็กชีวิตน้อยแต่ก็เกิดเป็นอกุศลกรรมที่นำพาไปสู่นรกได้ช่าง น, น่ากลัวนักที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นความประมาทจากการที่คนเราใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีเป้าหมาย ไม่มีความตั้งอกตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ขาดความยึดเหนี่ยวไว้เป็นสาระแก่จิตใจจึงไม่อาจก่อเกิดบุญไม่เกิดสมาธิและปัญญาที่จะสั่งสมเพื่อนำไปสู่ภพภูมิที่ดีในชาติหน้าต่อไป หนังสือเรื่องเทวดาที่กุติหลวงตาจะขอรวบรวมภาพและเรื่องราวของเทพเทวดาต่างๆไว้ให้มากแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้ที่กระหายอยากจะรู้เรื่องให้ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นอีกผมต้องขอออกตัวก่อนว่าความรู้เรื่องเทพเทวดาของผมไม่ได้มากตามอายุแต่ผมรับฟังและศึกษามาได้มากเท่าใดก็จะพยายามถ่ายทอดให้ท่านได้รู้มากเท่านั้นรออีกสักนิดนะครับ จะพยายามเร่งทำให้เร็วที่สุด